เรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่นำมาจาก facebook ของคุณมดตะนอยนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณแล้วก็ขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันโดยคุณมดตะนอยมาต่อยต้นพลิกนะคะเรื่องของผีเขมรค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ออกจะอินเตอร์นิดนึงเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละนะคะแต่ว่าคนที่เจอเจอเนี่ยเป็นคนไทย เรื่องมีอยู่ว่าช่วงที่คุณแม่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆซึ่งตอนนั้นอายุได้ประมาณ20ปีย้ายมาทํางานเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนายญี่ปุ่นค่ะที่ประกาศรับสมัครงานตามเสาไฟฟ้าตามอะไรบ้านนายนี้ตั้งอยู่แถวหนองจอกสมัยนั้นหนองจอกนี่เรียกว่าหูกันดานมากคุณผู้ฟังแม่บอกว่าบ้านตั้งอยู่กลางทุ่งนากันเลยทีเดียวและแวกนั้นมีบ้านของชาวบ้านอยู่ประมาณ 2- อสาหลัง ส่วนใหญ่นะเป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนโล่งส่วนบ้านของนายที่คุณแม่ไปทํางานอยู่เนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวแต่ว่าค่อนข้างใหญ่มี3มห้องนอนมี3ห้องห้องน้ําแล้วก็1ห้องเก็บของส่วนคุณแม่เนี่ยจะนอนอยู่ห้องเก็บของนะคะซึ่งมีห้องน้ําในตัวด้วยแล้วก็ห้องของแม่เนี่ยจะติดกับห้องลูกสาวของนายแต่ว่าห้องลูกสาวนายจะไม่มีห้องน้ําในตัว แม่ใช้เบอร์ตู้โทรนัดพบกับนายญี่ปุ่นนะคะบริเวณหน้าตลาดแห่งหนึ่งที่เคยเปิดเป็นสวนสนุกมาก่อนคุณแม่เล่าว่าครั้งแรกที่โทรไปไม่ไม่มีเสียงตู้เสียงอะไรเลยนะปลายสายก็รับทันทีเลยแต่ว่าเสียงที่ตอบกลับมาเป็นเสียงผู้ชายค่ะพูดรัวๆเร็วมากเร็วจนฟังไม่รู้เรื่องตอนแรกก็เข้าใจนะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ฟังก็ไม่รู้เรื่องนะเสียงพูดรัวค่ะไม่ถึงนาทีสายก็ตัดไป แม่ก็เลยงงก็เลยหยอดตู้โทรใหม่แต่ว่าคราวนี้มีเสียงตู้ดังขึ้นอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะมีผู้ชายรับสายนะคะแม่แนะนําตัวเสร็จสับผู้ชายคนนั้นตอบกลับมาด้วยภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นบอกว่าตกลงเดี๋ยวไปรับซึ่งพอนัดแนะสถานที่กันเสร็จเรียบร้อยก็มีรถเก๋งคันนึงมารับพอขึ้นรถไปแม่บอกว่าหูรถคันนี้เหม็นสาบมากคือเหม็นเหมือนกลิ่นตัวคนขับไม่ได้อาบน้ํามาเป็นปีเลยแหละคุณผู้ฟัง แต่ว่าระหว่างทางคนขับรถก็ชวนคุยบอกว่าเป็นคนญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยมาอยู่หลายสิบปีแล้วเป็นคนขับรถให้นายก็พูดกันไปพอเข้าโซนหนองจอกแม่ได้ยินเสียงเสียงแบบตอนโทรศัพท์ครั้งแรกเนี่ยคือดังมาจากวิทยุในรถคนขับรถก็หันมามองหน้าแม่เหมือนประมาณว่าแม่จะมีอาการยังไงแล้วก็เอื้อมือไปปิดวิทยุค่ะคุณแม่บอกว่าแม่ก็พยายามเก็บอาการนะแต่ว่าในใจก็เริ่มว่นวัน ระหว่างทางเนี่ยรถจะวิ่งผ่านมาหลายหมู่บ้านมากแต่ละหมู่บ้านอยู่ประมาณห่างกันประมาณ 2-3 กิโลเมตรได้ค่ะร้านค้าที่ใกล้บ้านที่สุดอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างไปประมาณ2กิโลเมื่อมาถึงหน้าบ้านตอนที่กําลังเข้าเขตบ้านรถมันก็สะเทือนเหมือนมีอะไรบางอย่างขยมอยู่บนหลงังคานี่แหละคนขับรถก็หันมามองหน้าแม่อีกคราวนี้แม่ก็เลยมองกลับแบบสื่อให้รู้เลยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ว่าคนขับรถไม่พูดไม่จาอะไรค่ะซึ่งพอจอดรถคนขับรถก็พาไปที่ห้องเก็บของที่จัดเป็นระเบียบไว้แล้วห้องค่อนข้างกว้างพอสมควรตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคนขับรถบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายออกไปทําธุระจะกลับมาอีกทีก็คงจะเย็นเย็นส่วนลูกสาวนายไปเรียนพักอยู่หอพักจะกลับมาอีกทีก็วันเสาร์ให้แม่จัดของแล้วก็พักผ่อนไว้ก่อนส่วนตัวของคนขับรถเองเนี่ยจะไปรอรับนายกลับมาอีกทีก็คงเย็นเลย ก่อนที่คนขับรถจะออกไปเขาก็เดินมาบอกกับแม่บอกว่าอย่าไปเดินมั่วซั่วนในบ้านนะให้รออยู่ในห้องจนกว่าเขาจะกลับมาพอสิ้นเสียงรถที่ขับออกไปค่ะแม่ก็เริ่มจัดแจงของใช้ส่วนตัวจัดไปสักพักหนึ่งก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ลืมเตรียมแปรงสีฟันมาแม่ก็เลยรีบจัดของให้เสร็จแล้วก็เดินไปซื้อแปรงสีฟันที่ร้านค้าที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก่อนที่จะออกมาก็ลังเลเพราะไม่มีอะไรล็อกบ้านเลย แต่ว่าเมื่อตอนเข้ามาทีแรกเนี่ยก็ไม่เห็นคนขับไข่บ้านหรือว่าปลดล็อกอะไรก็เลยคิดว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกระหว่างทางที่เดินมาร้านค้านี่มันจะเป็นทางลูกอรรังนะคะแม่ก็ได้กลิ่นแปลกตลอดทางกลิ่นมันเหมือนตอนขึ้นรถมาเลยแต่ว่าเป็นกลิ่นจางๆทีนี้พอเข้าเขตหมู่บ้านที่มีร้านค้ากลิ่นก็หายไปพอเข้าไปในร้านค้าก็ซื้อแปรงสีฟันแล้วก็ของใช้อื่นๆเท่าที่จาเป็น ระหว่างนั้นนะคะแม่ค้าที่เป็นป้าแก่แก่แกแ ก, ก็ถามว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าไม่คุ้นหน้าค่าตาเลยแม่ก็เลยบอกไปว่ามาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนายญี่ปุ่นป้าก็มองหน้าแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะคะระหว่างทางแม่ก็รีบเดินกลับค่ะแต่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรทีนี้นี่พอมาถึงหน้าบ้านแม่เห็นว่าเหมือนมีคนเดินออกมาจากห้องเก็บของแม่ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปดูในบ้าน ผลปรากฏน่ว่าห้องของแม่เนี่ยถูกรื้อข้าวของกระจัดกระจายในใจก็คิดว่าเป็นโจรแน่นอนก็เลยเดินสำรวจดูปรากฏนะะว่าไม่มีอะไรหายก็เลยออกมาดูที่ห้องนั่งเล่นก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยสำรวจห้องอื่นค่ะห้องแรกสุดเนี่ยเป็นห้องนอนของนายที่นอนกับเมียของเขาห้องถัดมานี่ล็อก ฝั่งตรงข้ามเป็นห้องของลูกสาวสีชมพูหวานแววเลยทีเดียวแล้วก็ที่ติดกับห้องลูกสาวคือห้องเก็บของที่คุณแม่เนี่ยนอนพักอยู่นะคะแม่สำรวจ ด, ดูอีกทีหนึ่งผลปรากฏว่าเหมือนเดิมค่ะของทุกอย่างอยู่ครบแม่ก็เลยจัดของใหม่จนเสร็จดูเวลาอีกทีหนึ่งก็บ่าย3ามโมงกว่าเข้าไปแล้วแต่กว่านายจะกลับมาคงอีกนานแม่ก็เลยออกไปเดินเล่น แต่ก็นึกขึ้นได้นะฮะว่าคนขับบอกว่าให้รออยู่แต่ในห้องนะแม่ก็เลยเอนหลังนอนบนเบาะลูกฟูกที่เขาเตรียมไว้ให้นอนไปสักพักหนึ่งขณะกําลังเคลิมค่ะได้ยินเสียงกุกกะกุกกะอยู่ในห้องที่ล็อกอยู่ห้องห้องนี้ประตูห้องจะตรงกันกับห้องของลูกสาวนายแม่ก็เลยเปิดประตูไปเง้อดูก็ไม่มีอะไรก็เลยเดินกลับเข้ามาในห้องปิดประตูปับ๊บเสียงก็มาปุ๊บคราวนี้แม่ไม่ออกไปดูล้ค่ะ อาการขี้ขึ้นสมองกลับมาเสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนพยายามจะทุบ ป, ประตูออกมาแม่ก็เริ่มใจไม่ดีแล้วละ่ะภาวนาให้นายกลับมาเร็วๆเสียงมันดังอยู่สองสามนาทีก็เงียบไปแม่ก็เลยเผลอนะคะเผลอหลับไปค่ะคราวนี้ก็ฝันแม่ฝันว่าเดินอยู่ในที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหมอกเต็มไปหมดในฝันเนี่ยแม่เดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหน พอเดินไปสักพักหนึ่งเจอผู้ชายตัวดำๆร่างใหญ่นุ่งสรงถอดเสื้อยืนอยู่ตรงหน้าเดินเข้ามาหาแม่ด้วยสายตาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่แถมท่าเดินก็เดินดแปลกๆคือเขาเดินโดยก้าวขาซ้ายข้างเดียวแต่ว่าขาขวาเนี่ยก็ไม่ได้เป๋นะคือยกก้าวได้แต่ว่าใช้ขาซ้ายก้าวอย่างเดียวค่ะแขนแนบลาตัวเหมือนยืนเคารพธงชาติแม่เห็นท่าไม่ดีก็เลยถอยหลังแล้ววิ่งหนี แต่ว่าผู้ชายคนนั้นก็ก้าวเท้าเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแม่หนีสุดชีวิตจนสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงคนขับรถมาเรียกดูเวลาก็เกือบ6กโมงเย็นแล้วค่ะแม่ล้างหน้าล้างตาก่อนเดินตามคนขับรถออกมาที่ห้องนั่งเล่นแม่ก็ยกมือไหว้สวัสดีนายญี่ปุ่นกับเมียที่เป็นคนไทยก่อนจะแนะนําตัวส่วนนายญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้เมียเป็นล่ามให้พอมอบหมายหน้าที่เสร็จศัพ์ สรุปนะคะว่าหน้าที่ของแม่คือทําความสะอาดบ้านซักผ้าล้างจานล้างรถส่วนกับข้าวเนี่ยเมียของเขาจะเป็นคนทําบ้านนี้นายค่อนข้างใจดีอยู่ง่ายกินง่ายเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยนะคะมีกฎข้อเดียวคือห้ามยุ่งกับห้องล็อกอยู่ตอนนี้นี่แม่รู้ทันทีว่าในห้องเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แน่คืนแรกผ่านไปด้วยดีค่ะไม่มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น เช้าวันถัดมาแม่ก็ตื่นมาตอนตีห้าเพื่อที่จะเตรียมลุยงานวันแรกแม่จะต้องตื่นมาเตรียมขัดรองเท้าให้นายตอนออกจากห้องก็มองไปรอบๆ บ, บ้านคือมันยังมืดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะทีนี้พอนั่งขัดรองเท้าอยู่หน้าบ้านในขณะที่ขัดรองเท้าอยู่ในสายตามันดันออกมองออกไปนอกบ้านเห็นชาวบ้านคนนึง แบกอุปกรณ์พวกจอบเสียมพั่วพะรุงพรังยืนจ้องแม่อยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแม่ก็ก้มหน้าก้มตาขัดรองเท้าต่อไปพักเดียวค่ะคนขับรถตื่นมาเช็ดรถปัดฝุ่นแล้วก็หันมาถามว่าเป็นไงเมื่อคืนหลับสบายดีไหมแม่ก็ตอบไปบอกดีค่ะลุงเขาก็เข้ามาถามอีกบอกไม่เจออะไรเลยเหรอแม่ก็เลยตอบว่าค่ะไม่เจอเลยเช็ดอยู่พักหนึ่ง ลุงก็เดินกลับเข้าไปในบ้านพร้อมกับพูดเป็นสำเนียงไทยๆบอกว่าเตรียมตัวไว้เถอะเดี๋ยวเจอแน่แม่ตกใจค่ะหันไปทางลุงที่เดินเข้าไปในบ้านผลปรากฏว่าลุงหายไปแล้วแม่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าลุงเขาไม่ได้นอนที่นี่นี่หว่าบ้านมันมีสามคนคือแม่นายแล้วก็เมียของนายแม่ก็เลยวิ่งเข้าห้องเลยค่ะร้องไห้เลยตอนนั้น ตั้งสติอยู่พักใหญ่จนแสงแดดนี่แยงตานะคะเสียงประตูจากห้องของนายเนี่ยเปิดออกค่ะแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะใช่นายแน่นอนหรือเปล่าจนเมียนายมาเรียกแม่ก็เปิดประตูออกมาพอเมียนายออกมายังไงก็ขออนุญาตใช้ชื่อสมมติว่านานุศก็แล้วกันเห็นแม่ร้องไห้ก็เลยปลอบใจก็คงจะรู้แหละนะว่าเจออะไรม า, น, านันุศก็เลยถามว่าเจออะไรมาแต่ว่าแม่บอกว่าแค่ฝันร้าย พอนายกับเมียออกไปข้างนอกไปทำงานสิ่งแรกที่แม่คิดคืออยากรู้นะฮะว่ามันมีอะไรกันแน่คนแรกที่แม่อยากจะถามคือลุงคนขับรถแต่ว่าแกไม่อยู่คนต่อมาคือป้าร้านขายของแม่ก็เลยรีบจัดการงานบ้านให้เสร็จแล้วก็ตรงดิ่งไปร้านขายของทันทีถามป้าเจ้าของร้านก็เลยได้ความนะคะว่า ป้าบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่นายจะมาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณ 3-4 ปีก่อนเจ้าของบ้านคนเก่านี่เป็นฝรั่งได้เมียเป็นคนไทยหน้าตาสวยแต่ว่าเป็นผู้หญิงอย่างว่าเนะคะได้มาจากสถานเริงรมทีหนึง่งถูกอกถูกใจกันก็เลยหาที่สร้างบ้านไว้ให้ผู้หญิงอยู่แต่ว่าตัวผู้ชายเองทำงานอยู่ต่างประเทศ น, นันๆจะแวะมาบ้านทีหนึง่งนะคะเพื่อที่จะมาหาเมียของตัวเองอยู่มาวันหนึ่งค่ะ ผู้หญิงไปบอกฝรั่งบอกว่าเหนื่อยให้จ้างคนงานมาช่วยงานบ้านหน่อยสามีฝรั่งก็ตามใจชาวบ้านแถวนั้นก็ลือกันบอกว่าคนใช้บ้านนี้เนี่ยแอบเป็นชู้กันกับคุณนายบ้านนี้คนใช้คนนั้นก็คงจะทำของใส่แหละนะคะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชา พอยิ่งนานวันเข้าผู้หญิงก็ยิ่งหน้าตาหมองคล้ำแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าไปแอบเล่นชูกันอีท่าไหนโดนผัวฝรั่งจับได้เขาก็เลยทิ้งไปไม่ส่งเสียผู้หญิงก็เครียดไอคนใช้หลังจากโดนจับได้ก็หายตัวไปเลยจนวันหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นไปเจอผู้หญิงอีกทีนึงคือเป็นศพไปแล้วผูกคอตายกับพัดลมเทดานในห้องนอนก็ไม่รู้ว่าตายไปนานแค่ไหนศพไม่อืดแต่ว่าหนังแห้งติดกระดูกกันเลยคราบเลือดออกทางทาวารก็แห้งกรงัง ของเสียทั้งเบาทั้งหนักกองเต็มพื้นใต้จุดที่ผูกคอตายนั่นแหละนะคะกลิ่นเหม็นสาบคละคลุ้งไปทั่วห้องป้าบอกว่าตอนตายเนี่ยคงธาแตกพอเล่าจบก็ถามแม่บอกว่าเจอผีผู้หญิงเหรอแม่ก็เลยบอกว่าเปลา่าที่เจอเนี่ยเจอผู้ชายขาเป๋ด้วยมั้งป้าก็บอกว่าคนใช้มันไม่ได้ขาเป๋นะแต่ว่าเป็นคนตัวดำาๆร่างใหญ่ชอบนุ่งสรงถอดเสื้ออยู่บ้าน แม่ก็คิดในใจว่าน่าจะใช่คนที่เราฝันนี่แหละแต่ครั้นจะลาออกก็กลัวไม่มีอะไรกินก็เลยต้องทนทำไปก่อนทีนี้พอถึงเวลาเที่ยงหน่อยหนึ่งแม่เริ่มหิวละห่วงบ้านก็ห่วงกลัวผีก็กลัวแต่ทำยังไงได้ล่ะคะก็ต้องฝืนความกลัวกลับบ้านก่อน กลับมาถึงบ้านแม่ก็จัดแจงทากับข้าวกินพอทำเสร็จยังไม่ทันกินค่ะแม่ได้ยินเสียงคนกดกร่งหน้าบ้านก็เลยรีบวิ่งไปดูผลปรากฏว่ามีคนยืนอยู่หน้าบ้านคือชาวนาคนเมื่อเชา้าคราวนี้เห็นหน้าชัดเจนดูท่าทางใจดีไม่มีอันตรายแม่ก็เลยเดินไปต้อนรับพร้อมกับถามว่ามีอะไรคะมาอยู่บ้านนี้นานแค่ไหนแล้วลุงก็ถามปนยิ้มวันนี้วันที่สองค่ะแล้วลุงแกก็บอกให้แม่นี่ออกไปคุยนอกรั้ว ซึ่งแม่เองก็ลังเลเพราะว่าถึงแกจะดูไม่มีพิษภัยแต่ก็ไม่ใช่คนรู้จักตอนนั้นแม่ก็คิดนะะว่าเออแค่หน้าบ้านคงไม่เป็นอะไรหรอกแต่พอแม่ออกมาหน้าบ้านลุงแกก็บอกว่าให้แบมือออกมาแม่ก็แบมือลุงแกก็หยิบของบางอย่างให้ทันทีที่แม่รับมาเสียงในบ้านก็มีเสียงดังเพ่งขึ้นนะคะเสียงเหมือนอะไรสักอย่างนึงตกแตก ลุงแกหันไปมองในบ้านแล้วก็หันมาบอกแม่บอกว่าอย่าให้ห่างตัวนะรักษาดีๆแม่หยิบขึ้นมาดูของที่ลุงแกให้เนี่ยคือพระองค์สี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะลุงแกบอกว่าแถวนี้เนี่ยมันไม่มีขโมยหรอกถ้าเหงาก็ไปนั่งเล่นบ้านลุงลุงอยู่กับป้าแค่สองคนแล้วแกก็เดินกลับบ้านไปนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังแม่ก็เดินเข้าไปในบ้าน ไปดูต้นต่อเสียงที่มันดังขึ้นนั่นคือเสียงจานข้าวของแม่แตกกระจายแต่ที่น่าแปลกคือเหมือนมีใครปาข้าวไปหน้าห้องที่ล็อกไว้แม่ก็เลยทําความสะอาดทีนี้พอมาถึงบริเวณหน้าห้องสังเกตดูเหมือนกับว่าข้าวเนี่ยมันถูกปาอ่ามันถูกปาดเข้าไปในห้องด้วยแต่ว่าแม่ก็ไม่กล้าที่จะเปิดไปทาความสะอาดนะคะแม่ทาเท่าที่ทาได้ตอนที่แม่ก้มลงไปเช็ดเนี่ย ก็คือแม่เห็นแสงลอดออกมาในห้องมันเหมือนมีคนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องแม่ก็รีบเช็ดแล้วก็รีบไปทันทีรีบเข้าห้องไปคว้าพระที่ลุงให้มาระหว่างวันนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติอีกนะคะจนเย็นวันนั้นตอนที่นายกับนนุษย์กลับมาถึงนนุษย์เตรียมตัวไปตลาดในหมู่บ้านที่อยู่ข้างในแม่ก็เลยขอติดรถไปด้วยกะว่าจะเลี่ยมพระคล้องคอก่อนออกจากหมู่บ้าน ของของนายญี่ปุ่นเนี่ยแม่หันไปเห็นลุงคนเมื่อกลางวันเนี่ยแกนั่งโบกพัดอยู่ใต้ถุนบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านค่ะข้างๆนี่ก็จะมีป้าเหมือนกําลังตำอะไรสักอย่างนึงตอนนั้นแม่ก็เลยคิดถึงตากับยายขึ้นมานั่งน้ำตาซึมอยู่ในรถนนุษเห็นก็เลยถามว่าเป็นอะไรพอแม่บอกว่าคิดถึงบ้านนานุเลยบอกว่าวันศุกร์นี้กลับบ้านก็ได้นะเดี๋ยวให้ลุงโกไปส่ง ก็คือคนขับรถนี่แหละนะคะชื่อญี่ปุ่นชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าขึ้นต้นด้วยคําว่าโกะนะคะนนท์ก็เลยตั้งชื่อไทยให้ว่าลุงโก๊ะแม่ก็ยกมือไหว้ขอบคุณนนุ์ทีนี้พอกลับมาจากตลาดค่ะแม่เลี่ยมพระเสร็จซื้อสายสร้อยมาด้วยแต่ว่าเป็นแบบเส้นยาวเพราะว่าเส้นสั้นหมดก็เลยจําเป็นต้องใช้ไปก่อนนับตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่ได้เจออะไราผิดปกติจนกระทั่งวันศุกร์ตอนสายลุงโกะขับรถไปส่งแม่ที่อนุสาวรีย์ เพื่อที่จะขึ้นรถกลับบ้านระหว่างทางก่อนออกหน้าหมู่บ้านค่ะหางตาของแม่เนี่ยไปเห็นชายร่างใหญ่ผิวดำกล้านพอหันไปมองเต็มๆก็หายไปแม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองตาฝาดนะพอขึ้นรถทัวร์เสร็จระหว่างทางแม่รู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลาพอมาถึงปลายทางเป็นเวลาประมาณ 4-5 ถึงโมงเย็นฟ้าเริ่มโผล่เพลแล้วซึ่งก่อนหน้านี้แม่ส่งจดหมายมนัดนาชายว่าเจอกันที่ศาลาปากทาง พอแม่ลงรถก็เดินเข้าศาลาข้างทางแต่จังหวะที่รถออกแม่หันไปมองรถเล่นออกไปจากหน้าศาลาไม่ถึง10เมตรเรียกว่าแค่ท้ายพ้นศาลาเท่านั้นแหละรถก็จอดอีกประตูก็เปิดแต่ว่าไม่มีคนลงซะงั้นแม่ก็งงค่ะ แต่ว่าแม่ก็นั่งรอนาชาอยู่นานมากจนพลบค่านาก็ยังไม่มาสัทีพอฟ้ามืดความคิดหลอนๆก็เริ่มกลับมาอีกระแวงไปหมดแต่ก็ไม่เจออะไรจนน้ามาเวลาประมาณเกือบสามทุ่มแม่ก็เลยถามนาว่าทำไมมาช้านาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าบิดหน้าตั้งเข้าน า, าเข้าหมู่บ้านอย่างไวยเลยนะคะ บ้านของยายเนี่ยตั้งอยู่ห่างจากท่าจอดรถประมาณครึ่งชั่วโมงพอมาถึงหน้าบ้านน้าสายเล่าให้ฟังว่าออกมาตั้งแต่บ่ายสามล้แต่ว่าพอมาถึงช่วงครึ่งทางเน้เห็นผู้ชายคนนึ่งโบกรถพอจอดก็บอกขอไปด้วยน้าบอกว่าเห็นเห็นว่าเป็นทางผ่านก็เลยให้ขึ้นรถมาด้วยพอขับมาได้สักพักหนึ่งผู้ชายคนนั้นสะ ก, กิดบอกให้จอดพอนจอดรถแกก็ลงแล้วก็เดินลงป่าข้างทางไปดือด้อเลยไม่พูดไม่จาอะไรสักคำ นะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ขับรถไปแต่ว่าขับเท่าไหร่ก็ขับไม่ถึงทางก็ไม่มีทางแยกขับไปก็วนไปวนมาอยู่แค่ตรงนั้นตรงที่ผู้ชายขอขึ้นรถจนคิดว่าไม่ไหวละก็เลยขับกลับแม่งเลยกลับมาถึงบ้านค่ะก็คว้าตะกรุดปู่คาดเอวไปในใจคิดว่าเออถ้าคิดว่าแน่กว่าตะกรุดพ่อกูก็มาผลปรากฏว่าขับรวดเดียวถึงปลายทางก็ได้มาดับแม่นะคะทีนี้ ช่วงวันเสาร์อาทิตย์นั้นแม่มีความสุขมากไม่เจอเรื่องร้ายอะไรแต่ดันมาเกิดกับน้าแทนค่ะช่วงวันเสาร์ช่วงสายๆน้าเข้าไปในตัวเมืองไปซื้อยาให้ตาทางไปเมืองก็คือทางไปรับแม่นี่แหละน้าบอกว่าขับไปปกติจนถึงทางที่เคยรับผู้ชายคนนั้นขึ้นมันมีแมวค่ะตัวใหญ่มากตอนแรกนึกว่าเสือพุ่งออกมาจากโพรงหญ้าวิ่งตัดหน้ารถไปอีกฝั่งถนนน้าถึงกับเบรกรถกระทนหัน รถคว่มถลายไปไกลมากน้าบอกก็ไม่ได้เจ็บมากหรอกหันมาข้างทางก็ไม่เห็นแมวเลยเห็นแต่ผู้ชายที่น้าเคยรับนี่มายืนอยู่แต่ว่าน้าก็ยังขับรถไปซื้อยาพร้อมกับทําแผลเสร็จสับกลับมาถึงขาขวาของน้าเนี่ยพันด้วยผ้ากอดมาทั้งขาเลยพอวันอาทิตย์นะคะช่วงประมาณสายๆน้าชายขับมอเตอร์ไซค์มาส่งแม่ที่ท่ารถระหว่างทางก็เจอพระธุดงสามองค์ค่ะ แม่ก็เลยให้น้าจอดกะว่าจะถวายปัจจัยทำบุญแต่พระท่านไม่รับแถมยังทักมาบอกว่าให้แม่เนี่ยดูแลตัวเองดีๆนะเขาอาแคาดของเขาแรงมากแต่ยังดีนะคะที่แม่ชอบเข้าวัดทำบุญพระท่านบอกว่าให้มันทำบุญบ่อยๆของเขาแรงก็จริงแต่ตอนนี้มันก็ยังทำอะไรไม่ได้บุญเองยังเยอะพูดจบท่านก็เดินทุดงต่อไปน้าเนี่ยก็มาส่งแม่ที่ท่ารถค่ะแล้วรอเป็นเพื่อนจนรถมา รถคันนี้เป็นรถใหญ่มากแล้วก็เป็นรถใหม่น่าจะพึ่งออกมาหมาดๆนี่แหละนียคะแม่นั่งมาช่วงกลางรถระหว่างทางรถก็จอดที่สาลาหนึ่งถัดจากที่แม่ขึ้นประมาณ 4-5 หาสาามีผู้หญิงคนนึงเดินขึ้นรถมาตัวเปล่าไม่มีกระเป๋าใบใหญ่อย่างคนอื่นทั้งนั่งที่รถสายนี้ก็คือปลายทางกรุงเทพผู้หญิงคนนี้นั่งอีกฝั่งของแม่นั่งถัดไปข้างหน้าไม่กี่เบาะซึ่งพอรถเคลื่อนตัวไป ผู้หญิงคนนั้นก็หันมาหาแม่แล้วก็จ้องหน้าแม่อยู่อย่างนั้นจนแม้แต่คนรอบข้างยังสงสัยล้ค่ะจนผู้หญิงคนนั้นนั่นขงข้างหันมากระซิบกับแม่บอกรู้จักกันหรือเปล่าแม่บอกไม่รู้จักผู้หญิง ข, งข้างก็เลยถามอีกว่าเขามองหน้ากลัวจังผีเข้าหรือเปล่าแม่นี่ขนลุกไปทั้งตัวค่ะแต่ก็ไม่ทันตอบอะไรผู้หญิงคนนั้นก็จ้องหน้าแม่แล้วก็ฟุบลงนะคะกลายเป็นผู้ชายเบาะหน้า ที่นั่งอยู่ข้างหน้าแม่เนี่ยหันมามองแทนและพูดกับผู้หญิงข้างๆแม่บอกเสือกกันนักเหรออยากลองดีเหรอพูดด้วยน้ําเสียงดังมากค่ะคุณผู้ฟังจนคนขับรถได้ยินคนขับรถมองกระจกมาเหมือนท่าไม่ดีก็เลยจอดแล้วก็เดินมาปรามผู้ชายที่จ้องหน้าแม่หันไปมองหน้าคนขับรถในตานี่เหมือนไม่มีตาขาวเลยนะมีแต่ตาดํำล้วนเลยคนในรถนี่พังหะเลยค่ะหนีลงมาเลยก็มีนั่นหนีลงจากรถเลยก็มี แต่ว่าคนขับรถก็ยังคงทำใจดีสู้เสือค่ะขับรถต่อไปจนผ่านวัดวัดหนึ่งแกก็เลยเลี้ยวรถเข้าวัดไอ้ผู้ชายที่จ้องหน้าแม่หันไปทางคนขับและตะโกนลั่นรถบอกว่าไอ้สัตว์มึงอยากตายหรือไงกูจะเอาไปทั้งคันรถเลยนะคนขับร ถ, รถรีบวิ่งไปตามหลวงพ่อในกุฏิแต่ว่าตอนนั้นผีมันออกไปซะก่อนค่ะพระท่านมาถึงทุกคนก็ยืนยันบอกว่ามีจริงๆพระท่านก็เอาน้ามนต์มาพรมรอบรถแล้วก็หันไปบอกคนขับบอกไหว้แม่ย่านางซะบ้าง ไปหมิ่นเขามากเขาก็ไม่อยู่คุ้มครองพอพระท่านเดินมาพรมให้คนบนรถมาถึงแม่พระท่านก็ทักบอกไปทําอะไรมาหรือเปล่าเลยโยมแม่ก็บอกว่าเท่าที่นึกออกนี่ไม่มีค่ะพระท่านก็น้ํามนต์ให้ดื่มเลยแล้วก็ยังบอกส่งท้ายบอกว่าดูแลตัวเองดีๆละ่ะออกมาได้ก็ออกมาซะที่ไม่ดีอยู่ไปก็อัปมงคลแม่ก็ตอบแค่ว่าค่ะคําเดียวนะคะ เมื่อพรมน้มํามนตเสร็จแล้วคนขับรถก็เดินทางไปส่งหลวงพ่อพร้อมกับถือพวงมาลัยกลับมาพวงหนึ่งมาไหว้แม่แย่านางเสร็จแล้วก็ออกเดินทางต่อตอนนั้นประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะซึ่งตลอดข้างทางทุกๆศาลาที่ไม่ได้ส่งหรือว่ารับคนเนี่ยแม่ก็จะมองเห็นแต่ผู้ชายนุ่งสรงวยืนอยู่ทุกศาลาเมื่อถึงปลายทางแม่ก็ลงรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ว่าก่อนลงก็ไม่ได้ลืมที่จะยกมือไหว้ขอบคุณคนขับรถ พอลงรถเสร็จเมื่อรถขับออกไปแม่เห็นข้างๆรถนี่เปืเป้อนไปหมดจากที่เคยเป็นรถใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้เลอะเถอดด้วยคราบอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนมีคนเอามือมาป้ายไว้นะคะแม่ก็เลยหยอดตู้โทรศัพท์โทรหาลุงโกให้มารับที่อนุสาวรีย์ชัยพอมีคนรับแม่ยังไม่ทันพูดเสียงย้อนสายกลับมาก่อนเลยบอกยังคิดจะกลับมาอีกเหรอด้วยความตกใจแม่วางหูทันทีเลย รวบรวมสติแล้วโทรใหม่ในใจก็นึกว่าเสียงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงลุงโกะแน่นอนเพราะว่าสำเนียงไทยแท้ไม่มีญี่ปุ่นปนเลยคราวนี้นนย์เป็นคนรับโทรศัพท์นะคะก็นัดสถานที่กันเรียบร้อยตอนนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็นแม่มารอที่ท่ารถเลือกที่ที่คนเยอะไว้ก่อนจนลุงโกะมารับประมาณทุ่มหนึ่งแม่สังเกตเห็นว่าลุงโกะเนี่ยถอดวิทยุออกไปแล้วแม้จะสงสยัยแต่ก็ไม่กล้าถามอะไร ระหว่างทางก็นึกถึงเรื่องพระที่วัดทักบอกว่าถ้ามีโอกาสให้ลาออกซะแต่เหมือนตัวขาวตัวดำมันตีกันอยู่ในหัวข้างนึงบอกลาออกเถอะอีกข้างนึงบอกอุ้ยเงินดีขนาดนี้ทําทําไปก่อนแม่กับพ่อก็คือตากับยายเนี่ยจะได้สบายแต่ว่าขณะที่คิดอยู่ค่ะสักพักมันมีเสียงดังขึ้นมาบอกกลับไปเป็นเสียงผู้ชายตาวาดใส่ข้างหูแม่ก็ไม่แน่ใจว่าลุงโกได้ยินหรือเปล่าก็เลยหันไปถามลุงโกบอกว่าลุงโกลุงโกได้ยินอะไรไหมคะ ลุงโกก็เลยบอกไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วแม่ก็เลยถามว่าลุงโกพูดอะไรหรือเปล่าลุงโกก็เลยบอกว่ายังไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนั้นทั้งคู่รู้แล้วล่ะค่ะว่าบนรถเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สองคนแน่นอนมันต้องมีคนที่สามอยู่แน่ลุงโกก็เลยทักแม่บอกว่าถ้าเป็นไม่ได้หาพระดีๆมาติดตัวไว้สักองค์นะแม่นึกขึ้นได้ว่าลืมพระไว้ที่บ้านค่ะเพราะว่าแม่เลี่ยมแบบสแตนเลเวลาอาบน้ากลัวน้าเข้าก็เลยต้องถอด ในใจก็นึกถึงว่ากลับมาก็เจอเรื่องไม่ดีตลอดทางพอมาถึงบ้านเห็นบ้านมืดสนิทก็เลยถามลุงโกว่านายกับ น, นุชไปไหนลุงโกตอบมาแม่ถึงกับสะอึกบอกอ๋อเขาไปงานศพลุงกับป้าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเนี่ยหลับอยู่ดีๆก็ตายแต่แปลกนะไม่เน่าไม่อืดแต่ว่าผิวแห้งติดกระดูกของเสียกองเต็มที่นอนไปหมดมาเข้าฝัน น, นุชให้ น, นุชไปดูถึงได้รู้ว่าตาย แม่ฟังคำตอบแล้วใจหล่นไปอยู่ตาตุ๋มค่ะตัดสินใจเขียนจดหมายไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายกับตาฟังคืนนั้นแม่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยห้องที่ล็อกอยู่เนี่ยมันลากอะไรก็ไม่รู้เดินวนไปวนมาเสียงดังเหมือนเหล็กหรืออะไรสักอย่างหนึ่งและมันก็เป็นคืนแรกด้วยนะคะที่ลูกสาวนายเนี่ยกลับมาบ้านอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าอาจจะแก่หรือว่าอ่อนกว่าไม่เกินปี2ปีกับคนที่เล่าเรื่องนี้แหละนะคะ คืนนั้นช่วงเวลาประมาณตีสองกว่าแม่ได้ยินเสียงลูกสาวนายนี้อ้วกแล้วก็กดชักโครกอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่ากังวลกับเสียงลากเหล็กที่เพิ่งจะจางหายไปเมื่อกี้มากกว่าแต่ว่าแม่บอกว่าจะไม่สนใจเลยก็ไม่ได้เพราะว่าลูกสาวนายนี้เล่นอ้วกหนักมากอ้วกชนิดที่ว่าเหมือนคนแพ้ท้องเลยละค่ะแทบจะทุกๆห้านาทีแล้วก็ทุกครั้งที่อ้วกจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งช่วงตีสแม่ก็ตัดสินใจลุกไปด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่ได้เคาะเพราะว่าถึงเคาะมาก็คุยไม่รู้เรื่องมายืนฟังอยู่สักพักนึงก็เลยนึกขึ้นได้นี่ฮบอกว่าห้องลูกสาวนายไม่มีห้องน้ํานี่หว่าอะไรเสียงใครวะแม่กระโดดทีเดียวถึงที่นอนเลยแหละค่ะทันทีที่เข้ามานอนในห้องแม่ได้คุม้มโปรงร้องห่มร้องไห้แต่นั้นยังไม่จบนะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงแล้วแม่รู้สึกว่า มีคนเดินอยู่บนที่นอนค่ะย่าไปย่ํามาจนแม่ไม่ไหวละกรีดออกมาสุดเสียงแต่เหมือนไม่มีใครได้ยินแม่บอกว่าตอนนั้นไม่ไหวแล้วด่ากระดาษสารพัดสารเพที่นึกคําด่าได้ด่าจนมันหยุดเดินสุดท้ายมันหยุดเดินแล้วแต่ว่าแม่นี่แหละเป็นคนที่วิ่งออกมาจากนอกบ้านยืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็คิดไว้ในใจว่ายังไงวันนี้กูต้องออกไม่กลับเข้าไปในบ้านนี่เด็ดขาดตอนที่มองบ้านหลังสุดหลอนอยู่เนี่ยนะคะ แม่เห็นว่ามีคนยืนอยู่บนหลังคารถมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะคุณผู้ฟังแต่มันอยู่สามสี่คนในหัวแม่ตอนนี้คิดว่าวิ่งสิวิ่งอย่างเดียวแต่ขามันก้าวไม่ออกค่ะยืนอยู่อย่างนั้นแหละจนแดดออกนายออกมาเจอเหมือนพวกมันจะตะโกนเรียกน น, นุ์ทีนี้พอนนท์นะคะแกวิ่งออกมาดูค่ะ ก็เห็นแม่ยืนร้องไห้อยู่ก็ค่อยๆปลอบใจแล้วก็ถามไปบอกว่านานุชว่าครั้งนี้เนี่ยเล่นแรงไปแล้วนะวันนั้นนา น, า น, านุชก็ลางงานแล้วก็พาแม่ไปหาหมอที่แกรู้จักอยู่ที่8ริ้วพอมาถึงหน้าบ้านของหมอหมานี่หอนกันเกลียวเลยค่ะรถดับขับต่อไม่ได้นนุชก็เลยพาแม่เดินเข้าแต่พอลงรถผลปรากฏว่าหมาไล่กัดจนเข้าบ้านหมอไม่ได้นนุชก็เลยพาแม่เนี่ยนั่งในรถนะคะตอนนั้นแม่ร้องไห้เหมือนคนสติแตก พอแม่เห็นนนุษย์เดินคนเดียวหมามันไม่เห่ามันไม่ไล่กัดแต่กลับยืนหอนอยู่รอบรถที่แม่อยู่พอนนุษย์เข้าบ้านหมอไปทีนี้แม่โดนหนักเลยละ่ะฮะทั้งทุบรถทุบกระจกบอกให้เปิดบ้างไล่กลับบ้านบ้างหมาก็หอนไม่เลิกราแม่ได้แต่ยกมือไหว้หลับหูหลับตาร้องไห้จนนนุษ์เดินออกมาพร้อมพ่อหมอเหตุการณ์ถึงสงบลงพอพ่อหมอมา ก็รับแม่ขึ้นบ้านไปทำพิธีอยู่พักหนึ่งก่อนจะผูกสายสินให้นะคะขากลับ น, นันุตจึงเล่าทุกอย่างให้ฟังบอกว่าห้องที่ปิดตายเนี่ยจริงจเนี่ยเป็นห้อ ง, องคนใช้ขเขมรมาก่อนส่วนห้องที่ผู้หญิงผูกคอตายก็คือห้องของลูกสาวผลตรวจศพ บ, บอกว่าเธอตายขณะที่มีเด็กอยู่ในท้องแต่ไม่รู้แน่ว่าลูกใครส่วนคนใช้ขเขมรก็กลายเป็นบ้า หลังจากนี้ที่ผู้หญิงคนนั้นผูกคอตายนะคะอาการเหมือนคนเล่นของแล้วก็ทําผิดกฎอะไรประมาณนี้แหละของก็เลยเข้าตัวคือเพิ่งตายเมื่อก่อนที่แม่จะมาได้ไม่กี่เดือนเองชาวบ้านเจอศพเ้านอนอยู่ทางเข้าหมู่บ้านหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นตายค่ะทุกคืน นายกับ น, นันทุสจะได้ยินเสียงคนสวดภาษาคาเมนแบบรัวๆเร็วๆอยู่ในห้องข้างๆคือเสียงมันดังน่ากลัวจนแม่บ้านคนเก่านิลาออกนับตั้งแต่นั้นนายก็เริ่มตามหาแม่บ้านใหม่ทันทีจะมีแต่ลูกสาวที่ไม่เคยเจออะไรเพราะว่าไม่ค่อยอยู่บ้านนานุสบอกว่าคงไม่ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะออกตอนนี้แม่ก็ไม่ลังเลเพราะว่านานุสบอกแล้วบอกว่าไม่ว่าอะไรหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อกลับถึงบ้านเก็บข้าวของเรียบร้อย พอเดินมาถึงหน้าบ้านเพื่อรอณนนุดแต่สิ่งที่แม่ไม่หายสงสัยเลยคุณผู้ฟังคือคนมากมายค่ะที่ยืนอยู่บนรถณุดนนอาสาขับรถไปส่งถึงบ้านแม่ที่ต่างจังหวัดตลอดทางไม่เจอเหตุการณ์อะไรผิดปกติมีอย่างเดียวที่คาใจแม่คือเรื่องคนบนหลังคารถเมื่อกลับมาถึงแม่เล่าทุกอย่างให้ยายฟังแล้วก็เอพระมาคล้อง เช้ารุ่งขึ้นอีกวันยายพาแม่ไปทำบุญเล่าให้พระอาวุโสฟังท่านก็ดูดวงให้ท่านบอกว่าหมดเวรหมดกรรมกันแล้วเขาไม่ราวีแล้วเขาไปตามคนที่ทำเขาแทนแม่ก็งงแต่ก็โล่งใจนะคะเพราะว่าอย่างน้อยตัวเองก็หมดพันธะแล้วจนกระทั่งหลายปีผ่านไปนะคะแม่ได้มีเจ้าของเรื่อง ตั้งท้องแล้วล่ะคือแบบคลอดลูกแล้วอะไรอย่างนี้คือมีลูกแล้วนะคะมีคนที่เล่าเรื่องนี้แล้วแล้วก็เอาพระไปเลี่ยมทองใส่ให้เจ้าของเรื่องนี้ตอนเด็กๆนนุษมาทําธุระแถวบ้าน น, านันดุษก็เตรียมหาที่ไปตั้งโรงงานแต่หาไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านไม่ขายก็เลยแวะมาหาแม่ของเจ้าของเรื่องถามสารทุกขสุขดิบกันพักหนึ่งแม่ก็เลยถามถึงลุงโก้นนุษทําหน้าเจริญแล้วก็บอกว่าแกเสียแล้วแกขับรถชนเสาไฟตายคาที่หลังจากวันนั้น ตัวที่อยู่ในห้องก็หายไปเลยนะพระที่วัดจัดงานบอกว่าลุงโกนี่แหละที่เขาอาาตใครดีกับลุงโกเขาเกลียดหมดแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวพระท่านบอกว่าไม่รู้ชนมากี่คนแต่ว่าวิญญาณที่อาคาตเนี่ยเขาเยอะมากเลยสรุปนายไม่ได้ย้ายบ้านใช้ชีวิตปกติแม่เขาเข้ามาทํางานกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้ทําที่เดิมหลังจากนั้นนะคะแม่ก็ไม่เคยเจอณุดอีกเลย ฟังกันยาวกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณแล้วก็ขออนุญาตนะคะเจ้าของ Facebook มดตะนอยมาต่อยต้นพริกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพระเจอผีวันนี้หมดเวลาบีขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับฟังแลวก็สวัสดีค่ะ